ไม่ต้องเห็นห้าแต่ว่าเมื่อไรที่แยกออกไปเป็นสองแค่สองนะก็จะเริ่มเห็นเราตัวเราไม่มี mm hmm. มีสามตัวสี่ตัวจะกระจายให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้ยังกระจาย mm hmm. เป็นเป็นธาตุธาต mm ุสิบแปดเป็นอายตนะหกเป็นขันห mm ้า hmm. เราเราดูขันห้าดูอายตนะหดูธาตุสิบแปดเนี่ย mm hmm. เพื่อกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไป พอกระจายออกเป็นส่วนๆ น, น่เมือนเราถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆรถยนต์ก็หายไปครับเะนนแค่ถอดเป็นสองอันมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งแล้วถ้าเป็นหนึ่งก็เป็นเร า, เราหลวงพ่อครับแล้วช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมคล้ายๆกับหลวงพ่อบอกผมเหมาะดูจิตแต่ผมรู้ว่า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 พระก็บอกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสิบครั้งร้อยครั้งหรือพ่อโนนร้อยครั้งเราพุทธเจ้าบอกประมาทเราตถาคตนะพิจารณาความตายตลอดเวลาควาจริงคําว่าพิจารณาความตายภาษาไทยะแท้จริงก็คือการเห็นความเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะั่นนั้นยิ่งเห็นบ่อยก็ถือว่าไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือมีสติประมาทก็คือไม่มีสติไม่มีสติมันก็ไม่เห็นสิ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 รู้ว่าโกรธนะไม่ใช่บางครั้งก็รู้อะค่ะเออนั่นแหละหัดไปใหม่ๆก็รู้น้อยต่อไปก็รู้เยอะเป็นอย่า ง, างนั้นทุกคนอ้าวอุ ท, ทยัยอ้าส่งกันบ้านไม่ยกมือก็เรียกแล้วอ้าวนมัสกางกับหลวงพ่อรู้สึกภาวนาสบายขึ้นครับ <c oughs> ก็เห็นจิตไหลไหลไปก็รู้ไหลไปก็รู้เรื่อยๆรืยสบายสบายฮะ <c oughs> แต่ว่าก็ก็ <c oughs> ไม่ค่อยกลางเท่าไหร่แต่ก็กลางพอแต่ก่อนครับอ่ะดีแล้วครับนนวันนี้จะมีความระวังจงใจที่จะระวังตัวเยอะกว่าทีนวันผ่านมาค่ะให้รู้ไว้นะมันไปติดตัวนี้อยู่แล้วก็จะเริ่มมีเห็นบ้างเหมือนกับเราพยายามไปบังคับหรือหรือตบตบให้จิตใจมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะดีที่รู้ทัน แล้วตอนนี้ยังมีปัญหามากไหมคะหรือแค่วันนี้มีปัญหามากมีความกังวลใจกลัวภาวนามไม่ดีให้รู้ทันลงไปเลยไม่มีอะไรหรอวเอาใครจะคุยยกมื อ, น, อนั่งยกมือละ ว, ว่าไปเลยเวลาที่มีอารมณ์ไม่พอใจมากระทบเนี่ยค่ะแวบแรกเราจะรู้รู้ว่าเราไม่พอใจรู้ว่าเราโกรธแต่แต่อารมณ์ไม่หายไปอะค่ ะ, ะเรา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 ถัดจากนั้นไม่พอใจอยากให้หายกโกรธเนี่ยอยากให้หายกโกรธเกิดขึ้นมาแทรกแล้วเราก็รู้อยากให้หายโกรธรู้ปัจจุบันไปถ้าชนานํานาญขึ้นมาก็จะเห็นว่าอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาถ้ายังไม่ชนานํานาญก็เห็นอันนึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไม่ทันจะดับนะเห็นอันใหม่แทรกขึ้นมาแล้วเราก็รู้นใหม่ไปก็เ<ค>มื่อปีที่แล้วที่เคยมาส่งกันบ้านกับพระอาจารย์่ะคะเราเคยถามกับพระอาจารย์ถึงอารมณ์ที่มากระทบแล้วทับ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 จิตใจมีความสงบสุขสบายมากขึ้นปล่งโล่งเบามากขึ้นนะภาวนาดีขึ้นหัดใหม่ๆเนี่ยเวลาสติเกิดมันจะรู้สึกหวอหวานะเมื่อสติเกิดบ่อยๆแล้วไม่หวอหวาแล้วมันจะนิ่มๆอย่างนี้แหละอย่างนี้ดีกว่าอย่างโน้นนะอย่างโน้นมันบวอหวาไปขอบพระคุณค่ะขรรคสการพระอาจารย์ครับ <c oughs> ตอนนี้ช่วงนี้ก็ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็ความทุกข์ก็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 ลอมเข้ามาเดินจนได้แล้วเอาส้านหนึ่งก่อนฝึกไปฟังซีดีหลวงพ่อไปนะคนมาฟังซีดีหลวงพ่ อ, อยังไม่มีเพี้ยนนะไม่มีบ้าสักลายหนึ่ง ม, ม, มีแต่เพี้ยนมาจากที่อื่นใจลอยรู้จักไหมนั่นแหละภาวนาดีอย่างนั้นใจลอยแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันนะเอาคนไหนจะต่อมีไมมของคุณเดี๋ยวขัดไปนะ อาว่าไปก็ตอนนี้รู้สึกสบายสบายขึ้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าขมไปนิดนิดหรือเปล่าข<ผ>มไป น, นิดๆิดนะจงแน่ใจเถอะขงแล้วมีติดตรงไหนอีกบ้างหรือเปล่าครับติ ด, อ ย, ดอยากดีอยากดีก็กดเอาไว้นะเชิญส่งใหม่ไปทั้งน้นหน่อยกราบน้าสกาหลวงพ่อครับในการที่ผมปฏิบัตินะฮะแบบนี้ฮะว่าคือผมจะ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 ไม่ค่อยมีอะไรค่ะหลวงพ่อก็ดูไปเรื่อยๆะคะ่ะเหลือใจประคองไว้นะประคองเอาไว้ดูออกไหมขานิดนึงอืมดีของตู่เป็นธรรมชาติดีดอันนี้อก็นมรส ก, การหลวงพ่อครับก็ปีนี้เป็นปีที่สาม ก, กว่าที่ได้มากราบหลวงพ่อนะคะตอนนี้ก็อตอนที่รอไม่ก็กระวนกระวานนิดหน่อยนะครับก็จริงๆก็อาศัยซีดีของหลวงพ่อเป็นวิหารธรรมในช่วงเช้า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 ทั้งกายทั้งใจนะเป็นของโลกอาศัยเขาอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็คืนเจ้าของเียค่อยฝึกอย่างนี้นะแล้วมันจะพัฒนาของคุณภาวนาได้ดีเฉะละีจิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลเบานะตรงนี้ไม่เบาแล้วนะแข็งไปนิดหนึ่งแล้วครับรวบเข้ามาแล้วครับเออมันรวบไปไปรวบเข้ามานะลอยไปนะอ่ะคุณเสื้อแดงเบอร์ยี่สิบยกมือไว้พึนะ่งเริ่มอะค่ะอยากทราบว่าเออเริ่มเริ่มต้นนี้ถูกต้องหรือยังถูกต้องแล้ว แล้วก็ อ, อ, อ, อ, อยากให้หลวงพ่อแ น, น, นะนํเอาค่ะแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มั่นใจคือได้ยินแต่ละท่านเนี่ยจะมีการทําสมาธิอะไระค่ะแต่ตัวเองก็ไม่เคยทําไม่ทราบว่าต้องเริ่มตรงนี้ด้วยหรือเปล่าะคะยังไม่ต้องหรอกนะ <c oughs> ทางใครทางมันค่ะ <c oughs> คนไหนเขาทําสมาธิได้ก็ให้เขาทําไปแล้วการตามดูตามรู้นี่ก็คือหมายความว่าการรู้อารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเช่น<ต> <แก S 2> มันเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่ามันเผลออย่าไปจ้องไว้ก่อนนะแตนตอนนี้เริ่มถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วตอนนี้มันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกิเลสไม่ค่อยมีอะไรองนี้ยค่ะแต่แตมันนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไปไหมคะอ่ามันนิ่งไปอ๋อนิ่งไปตรงที่ใจเราประคองเอาไว้ให้นิ่งอย่างตอนนี้นะกิเลสจะไม่โผล่มาให้ดูค่ะเหมือนเราถือไม้เรียวไว้ยืนไป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 ขอบคุณค่ะเอาเก่งปีหนึ่งแล้วได้อะไรบ้างกักไม่ไม่ทราบเหมือนกันทบยังไม่ได้อะไรเลยครับแต่ภาวนาแล้วจะบอกให้ภาวนาแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปได้แค่เห็นความจริงของกายของใจนิ่งครับสภาวะที่นิ่งนิ่งอยู่ตอนนี้นี่มันติดนิ่งมากไปไหมครับก่อนหน้านี้ใช้ได้นะตอนนี้ใช้ไม่ได้ครับแต่กี้ที่ตอนที่หลวงพ่อจะเรียกอะ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 อ่เชิญข้างหน้าวันสกกาดหลวงพ่อค่ะคือหลายวันนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างนะคะอยากจะข อ, อการบ้านหลวงพ่อเพื่อไฝึกให้พัฒนาให้ดีแป๊บหนึ่งนะเก่งรู้สึกไหมว่าโลกก็ส่วนโลกจิตก็ส่วนจิตใช่เนี่ยเราฝึกมาจนจะทั่งปัญญามันเกิดนะมันถอยออกมาจากโลกมันเห็นโลกเนี่ยเป็นทุกข์พอมันถอยออกมาแล้วเนี่ยระมัวแต่ไปงงซะอีกว่าจะไปยังไงไม่ไปไหนหรอก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 เสร็จแล้วจะไม่ยึดอะไรสัอย่างนะกระทั่งพบอันนี้ก็ไม่ยึดอ่ะไปถึงไหนแล้วเหนื่อยคือหลายหลายวันนี้รู้สึกมันไม่เหมือนเหมือนกันนะเจ้าค่ะเลยอยากจะขอการบ้านเพื่อไปสึกพัฒนาขึ้นใจมันทื่อๆให้รู้ทันว่ามันทื่อๆนะอันนี้อาจารย์ไปติดโลกมันมันนิ่งเหมือนกันนะแต่ว่านิ่งไม่เหมือนกันมีความนิ่งแต่ว่านิ่งไม่เหมือนกัน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 เดี๋ยวต้องแกล้งนุชรัตให้มันผ่านนุชรัตไปมาไม่มีกันบ้านส่องอะเาานานดีดูไปเรื่อยๆนะครับใจสบายมีความสุขแล้วรู้มันไปเรื่อยๆครับอ้าวคนไหนใครจะยกมือเชิญน้อนเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับผมก็ผมก็ปฏิบัติจากฟังซีดีหลวงพ่อบ่อ ย, อยๆนะครับผมก็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 อ่ะซังหน้าเลยคุณมารีค่ะหลวงพ่อค่ะช่วงนี้เนี่ยเวลาภาวนาพุทโธพอมันไหลปุ๊บเนี่ยพอไหลไปสักพักมันก็จะประคองอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะแล้วมันก็ลาคาญก็ ก, ก, ก็ให้รู้อย่างงี้เฉยๆเลยเจ้าคะ่ะก็ให้รู้ว่าลาคาญให้รู้ว่าอยากหายแล้วก็ถ้ามันติดตรงนี้นานนะสอนมันบ้างเจ้าค่ะให้เห็นว่านี่เห็นไหมบังคับไม่ได้จริงๆเอ๋ช่วยช่วยมันคิดนิดหน่อยเจ้าค่ะมันจะได้กําลังเจ้าค่ะ คราวนี้เมื่อกี้จิตตอนที่มาสักครู่มันดูไม่ออกอะเจ้าค่ะ ม, มันมองเข้าไปแล้วมันก็มันจงใจมองมันจะไม่มีอะไรให้มองอไม่มีอะไรมองถ้าจงใจดูมันก็จะไม่เห็นอะไรเพราะว่าขณะนั้นสิ่งที่เป็นสภาวะนะั้นก็คือตัวความจงใจนั่นเองถ้าเรากําลังจงใจดูรู้ว่าจงใจนี่เห็นสภาวะถ้าจงใจแล้วไม่เห็นว่ากําลังจงใจแต่เที่ยวค้นคว้าหาใหญ่เนี่ยก็ไม่เห็นเจ้าค่ะคราว น, นี้ช่วงนี้หนูควรจะภาวนาเพิ่มเติมทำให้สบายนะ แล้วก็ใจมันเศร้าหมองมันกังวลรู้มันเข้าไปดูมันเข้าไปเลยเอา้าวในยนิตอยากได้แต่กลัวอา้าว <laughs> พวกเนี้ยประหลาดมนุษย์ที่ตอนนี้ไม่ทราบว่ายังยังถูกอยู่หรือเปล่าคะนี่เห็นไหมมันกลัวกระทัางจะถามกลัวอะไร <laughs> กลัวไม่ดีทำไมต้องกลัวไม่ดีกลัวเสียหน้านะเรื่อเรื่อ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 พวกหมออายเขานะพวกหมอพวกเภสัต์แล้วจริงๆมันมันมองไม่ออกว่ามันคืออะไรตรงนี้ค่ะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ไม่ต้องใส่ชื่อมั น, มนให้รู้ว่าสภาวะมันเป็นอย่างเงี้ยซื่อบือทื่อๆ อ, อยู่เงี้ยก็รู้ว่ามันกําลังทื่อๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องมีชื่อที่ผ่านก็ปล่อยมันไปใช่ไหมคะมันปล่อยไม่ได้หรอกนิดเอียดูไปมัยังปล่อยไม่ออกหรอกนะอ้าวคนนู้น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 มันยิบบยิบอ๋อนั่นแหละดีแล้วนะจริงๆสภาวะตัวนี้เกิดตลอดเวลาเลยเราไม่เห็นเองแต่เป็นความปลุงแต่งเนี่ยนะเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยไหวยิบยิบๆิบยอย่างนี้แหละดีแล้วเห็นอย่างนับนให้รู้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดนะมีแต่ยิบยิบนิดเดียวเหมือนเป็นคลื่นของปรากฏการณ์นั่นเองเป็นกลุ่มคลื่นของปรากฏการณ์ทั้งจักรวาลเนี่ยเป็นคลื่นๆไหวยิบยบยิบยิบนิดเดียว ข, ข้างหลังโน้นเขายกมืออยู่<ม>พรวานากันเก่งๆนะปีหนึ่งที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงกันไปเยอะเลยคุณเบอร์แปดสิบแปดเขเปลี่ยนไปเยอะละวภาวนาได้ดีนะโยมคุณนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าพอหลวงพ่อพูดคุณเบอร์แปดสิบแปดเลยคุณนั่งข้างๆเลยแข็งไปด้วยนะค่ะหลวงพ่อหนูมาขอกันบ้างค่ะอืมขอไปแล้วไปทํำไหมทําค่ะเออให้รู้สึกไปนะ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 แล้วก็ฟังครั้งแรกก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะครับก็แปลกใจว่าทำไมถึงฟังพ่อพูดเราถึงไม่รู้เรื่องก็พยายามฟังต่อจนกระทั่งมันรู้เรื่องขึ้นมานะครับ อ, อยากเรียนย <ม S 1> ถา ม, ม ว, ว่วไม่ว่าจิตของโยมตอนนี้กับตะก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันครับ น, <ะ S 1> นักวิทยสัน์มากนี่แหละดีแล้วกา่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึข้นมาแล้วอยากลับเรียนว่าการทาสมถะ ล่องลอยของเขาเนี่ต้องต้องสมาธทธรรมะก่อนถึงจะขึ้นไปถึงเป็นคนคนนะเป็นบางคนอย่างที่พระนรนท่านบอกบางคนก็ใช้สมาธินำปัญญาทำสมรถก่อน บ, บางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนนะทำสมถธิทำยังไงก็ไม่สงบนะบพวกที่ทำสมรถไม่ได้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ปัญญานำสมาธิปัญญานำสมาธิก็คือให้คอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเนะช่นจิตใจของเราเนี่ย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 รู้ใจรู้ใจเนืองเนืองไปนะใจก็ค่อยลดความลดผลลงไม่ดีดไม่ดิน้นใจก็สงบลงมาก็ได้สมาธิขึ้นมาในเวลาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยทุกคนจะบรรลุด้วยสมาธิและปัญญาไม่บรรลุด้วยอันใดอันหนึ่งนั้นในพระไตรปิฎกเวลาพูดถึงพระอรหันต์ท่านบนรรลุพ ร, าารนะอรหันต์ท่านจะบอกว่าบรรลุพระอรหันต์ด้วยเจตปัญญาวิมุตต์และเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบกลับคือต้องควบนั่นแหละ เหมือนทุกคนจะต้องทำอย่างนั้นแต่ว่ามันคล้ายๆการเดินเหมือนกันเราจะก้าวเท้าซ้ายก่อนหรือจะก้าวเท้าขวาก่อนก็ได้นะไม่ผิดหรอกขอให้เดินเท่านั้นแหละแล้วแต่อย่าเดินออกนอกรูกนอกทางเดินอยู่ในรูในทางจะก้าวขาซ้ายก่อนก็ได้ขาขวาก่อนก็ได้จะทำสมถ า, าก่อนก็ได้จะเจริญวิปัสสนาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาโดยไม่ทาสมถะเนี่ยกรรมฐานที่ทาได้นะก็คือการดูจิต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 หน้าตา <นะ S 1> คืออะไรนะครับเซลจัดนอะไรเงี้ยเซลไปดูนะเดี๋วนี้แถมให้นะพิเศษ อ, อ่ะคนเน้นน้ัมาสกา ร, กการครับราารอาจารย์ก็เจอหน้าอาจารย์ทีไรถึงเต้นนทีเลยแล้วก็แอบเพ่งนุทีเลยตอนนี้ไม่ทราบว่าผมแบบออกแนวประคองกับเพ่งหน่อยหรือเปล่าครับน้อยลงไปเยอะแล้วใช้ได้แล้ว แล้วก็ตอนจเจริญสมถะเนี่ยจิตมันเกิดความสงสัยขึ้นมารู้สึกหมรู้สครั บ, รรบให้รู้ลงปัจจุบันอย่างเนี้ยครับผมเอาว่าไปครับตอนจเจริญสมถะนะครับมีก่อนหน้านี้ผมจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะเจริญด้วยลักษณะที่ว่าภาคตัวเองว่าลมหายใจเข้านี่ไม่ใช่ของเราแล้วก็พอเห็นจิตมันฟุ้งรู้สึกว่าอ๋อจิตนี่คุมไม่ได้นะไม่ใช่ของเราอย่างนี้ถูกไหมฮะอันนี้นก็ถูกนะแต่ถูกแบบสมถะเราสอนกันไปเรื่อยๆแล้วจิตก็สงบลงมา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 เราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆจนใจมันเห็นจริงว่าทุกอย่างเกิดเราก็ดับไปไม่ได้คิดเอาไม่ได้พูดเอาแต่ใจมันเห็นความจริงตอนนี้ต้องต้องต้องแก้ไขอะไร้ไม่แก้นะให้คอยรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยมีความสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้เรื่อยๆไปพอใช้ได้ละดูไปเรื่อยๆครับคุณหมอยกมือไหนคุณหมอรัฐเดี๋ยวให้ชีวิตมันท้อแท้ขนาด น, นั้น การรกาครับหมพอรู้สึกว่ามีความรู้สึกที่มันเย็นเย็ชื้นชื้นอยู่ข้างในใจครับไม่ทราบว่าพอมีความสึกตื่นเต้นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนละส่วนกันไม่ทราบว่าความรู้สึกที่มันคลออยู่ข้างในนี่มันคืออะไรครับให้มันอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ดูมไปแต่อย่าไปประครองมันไว้ของคุณหมอไม่ใช่ไปรู้มันใเฉยๆของคุณหมอลงไปแช่มันด้วยครับปัญหาอยู่ที่ลงไปแช่ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่มันมีอยู่นั่นตรงที่เราภาวนาเนี่ยนะใจมันทีแรกมันเป็นผู้รู้อยู่ พอเป็นผู้รู้นะั้นเราเห็นโลกข้างนอกกับเพิ่มไหวเห็นความทุกข์ผ่านมาผ่านไปใจไม่เกี่ยวไม่คล่องด้วยใจก็มีความสุขมีความสบายแต่พอมีความสุขมีความสบายแล้วมันหมดเรี่ยวหมดแรงนะมันเลยหล่นแป๊ะลงไปอยู่กับความสบายตัวนะั้นะเล้ลงไปนอนแช่ที่ความสบายนัย่นแนหะ้นะนะนะให้รู้สึกตัวหายใจขึ้นมาหายใจอย่างนี้รู้สึกไว้เห็น ไ, ม, ไม่เหมือนกันหะลุดออกมาแล้วง่ายง่ายขอบคุณครับ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 ก่อนนั้นมันก็นั่งอมยิ้มดูเองอแล้วมีความร<ล>ู้สึก ว, ว่าตัวลําพองเกิดเนี่ยนะต่อไปมันจะอมยิ้มคนอื่นด้วยกรจะจนะเจกหลวงพ่อรู้ดักคอ ม, มันเป็นแล้วครับมันยังครับก็อยากจะขอกันบ้านหลวงพ่อดูแต<ด>่ง น, นะนะดูได้แล้วดูไปครับเมื่อทําเป็นแล้วก็ต้องขยันแล้วคราวนี้ครับทํายังไม่เป็นอย่าเพิ่งขยัน ถ้าเราดูเป็นแล้วรู้กาย ร, รู้ใจได้ถูกวิธีการล้ต้องขยันล้ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกอแต่ไม่รีบร้อนนะไม่รีบร้อนดูไปเรื่อยๆมันคือการรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจเราที่จะถูกกิเลสย้อมมาแต่ไหนแต่ไรล้วเรียกว่าอนุสัยแล้วก็เรียกว่าอาสวะกิเลส ท, ที่ประณีตละเอียดที่มันย้อมใจเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ละเราก็มีหน้าที่คอยรู้ทันไปเลยถ้ารู้ไม่ทันนะมันกี่แยบออกมา อย่างเช่นเรามาดูของเราได้ชำนี้ชำนานใช่ไหมมันก็ภูมิใจขึ้นมากิเลสตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็เริ่มดูถูกคนอื่นกิเลสมันจะแอบแทรกเข้ามาอย่างรวดเรอเด็อยู่ที่เรารู้ทันนะรู้ทันในสุดใจก็ไม่ถูกกิเลสนี้ปรุงแต่งเพราะว่ามีสตินะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยใจนี้ไม่ถูกกิเลสย้อมเลยมันแยกออกมาจากกิเลสมันตั้งมั่นอยู่ท่างหากนี่มันมีสัมมาส ม, มาธิมันทรงตัวอยู่เหนือโลกเหนือกิเลสนะต่อไปมันไม่ถูกย้อมเพราะมันมีปัญญา กิเลสมาเนี่มันรู้ทันกิเลสขาดสะบั้นหมดเลยนะต่อไปมันไม่ถูกยอมเพราะมันมีวิมุติมันแยกขาดออกจากกันเนี่ยมันแยกออกด้วยหลายวิธีครับมาได้เยอะแล้วภาวนาไปครับขอบคุณครับก็อาศัยหลวงพ่อเนี่ยครับต้องอาศัยตนเองนะตนเป็นที่พึ่งนะขอบคุณหลวงพ่อก็ได้แต่บอกได้แต่เชียร์พวกเราอย่างดีนะพวกเราเรียนตั้งใจจริงแล้วเอาจริง คนคนจริงนะก็ได้ของจริงคนเหายาะแหยะก็ได้ของเหายาะแหยะของปลอมๆมโลเลหลวงพ่อภาวนาเนี่ยหลวงพ่อภาวนาสบายหลวงพ่อเล่นเล่นดูเล่นเล่นไปเรื่อยเราเป็นสุขขาปฏิปทาเราสุขขาเราไม่ค่อยได้เดินเราดูของเราไปเรื่อยเรไม่รีบร้อนแต่ว่าไม่ได้ขี้เกียจดูตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนกลับ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 เพ ร, นะะราะงั้นอย่างบางทีเราก็ต้องกินบางทีเราก็ต้องนอนนะให้มันพอดีพอดีแล้วมันมีแรงกินมากนอนมากนะมันก็กดจิตอีกจิตเสื่อมจิตมัวไ ม, ไม่กินไม่นอนเลยก็ไม่มีแรงเปนะ็นนี้ใช้ไดนะ้ตอนนี้มันเป็นขั้นฟื้นนะมันเพิ่งฟื้นอา้าคุณสืบสักตอตอนที่คนอื่นเขารายงานผมก็ขยับมือ ก, ก, ก็รู้สึกตัวไปเรื่อย ไม่ทราบว่าช่วงนั้นรู้สึกตัวได้ถูกต้องหรือยังงเพราะไม่ได้ดูช่วงนั้นนะแต่ช่วงนี้ไม่ใช่อับช่วงนี้ติดครับติดก็คือบังคับตัวเองบังคับทื่อๆไว้รู้สึกไหมคื่อๆครับพูดมันเจิดดีนะบรรเจิดรู้สึกไปใจมันเป็นอย่างนั้นเรารู้ทันนะรู้แล้วเป็นกลางกับมันใช้ได้ละใช้ได้ตรงเป็นกลางอะไม่ทราบว่าขอถามปัญหานะครับที่ว่าผู้ที่ชานาญในชั้นสี่เนี่ย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 มันไม่เหมือนอารมณ์อะคะ่ะเวลาวาดมันจะเหมือนกับเลขแปที่มันวกไปวก ม, มาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะให้ดูไปแล้วดูใจที่ลาคาญไปแต่ถ้าลาคาญแล้วดูไม่ไหวนะําคาญมากทนไม่ไหวก็ก็ย้ายที่หนีไปขอบคุณค่ะนี่ดีใจแล้วให้ย้ายที่อ้าคนท้ายสุดท้ายสุดเสื้อแดงข้างหลังนู้นช่วยส่งไปหน่อย <c oughs> เห็นแล้วสงสาร <c oughs>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 เอาวันนี้ขอเวลานะขอเชิญยกกับปาน